วัดเขาวาเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้ก็นับว่าเหมาะสมกับความเป็นผู้ครองเรือนเพราะมีธุรกิจการงานอยู่มากเราก็เฉยโอกาสเอาเวลาว่างๆมาฝึกฝนอบรมตอนอย่างนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีปัญญา รู้จักเสวงหาทางออกจากทุกข์เพราะว่าชีวิตของคนเรานี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่แต่ว่าจะตายวันไหนก็ไม่มีใครบอกล่วงหน้าให้รู้เลยวันนี้ตายแล้วไม่ใช่มันศูนย์ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนะ่ มันไม่สูญหรอกร่างกายมันก็ยังเหลือเท่ากับกระดูกวันนี้นั่นเป็นส ก, กิีพยานนะส่วนจิตใจนี่ไม่มีใครร่วงรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวส่งรู้แจ้งได้เลย ไอ้จิตนี่นะมันสําคัญนะเพราะมันเล่ร่อนไปเกิดในภพน้อยพบใหญ่ส่วนร่างกายนี่มันหมดปุ่นหมดกรรมแล้วมันก็แตกลงสู่พื้นดินอย่างนี้นะมันไม่มีปัญหามากมายร่างกายนี่เนาะมันก็มีปัญหาแต่เวลามันยังอยู่นี่แหละเมื่อมันหมดเขตเข้ามาแล้วมันก็ แตกลับลงไปเป็นธาตุลงไปแล้วก็แล้วเรื่องไปแต่ที่มันไม่แล้วเรื่องก็คือดวงจสิสินี่แหละดวงจิตนี่มีปัญหามากเพราะดวงจนินี่เมื่อมันยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงมันยอมยึดถืออะไรต่ออะไรกรรมดีมาถึงมันก็ยึดเอาไว้กรรมชั่วมาถึงมันก็ยึดเอาไว้ อย่างนี้นะมันยึดเอาความโลภยึดเอาความโกโรธยึดเอาความหลงไว้ในใจมันไม่ยอมสละกกิเลสเหล่านี้มันเป็นปัญหาสาคัญตรงนี้แหละเมื่อมันไม่ยอมสละกกิเลสเหล่านี้สะสมให้มันมากขึ้นแล้วมันก็บรรดาลให้จิตใจนี่ชอบไปในทาง บาปอกุศลคือทางเบียดเบียนคง ง, ง่ายๆบ้าเถอะจึงในใช้กายวาจาฆ่าสัตว์รักทรัพยพฤฤฤ์ปร่อยพิชผิดในก า, รกรามกล่าวมุสาวาต ด, ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฟินเฮโรอินต่งตางๆหม่นี้นะนั่นเนี่ยเมื่อกิเลสมันหนาแน่นอยู่ในใจแล้วมันก็ทำให้คนเราทำชั่ว ห้าประการนี้เองเนี่ยเรื่องมันนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัทถือปฏิบัติตามเพื่อบรรเทากิเลสสามกองนี่ลงเช่นให้ทานอย่างนี้นะก็เพื่อบรรเทาความโลภความตนีหงเห็นให้เบาบางอวปจากิตใจ รักษาศีลิฉนนก็เพื่อบันเทาความโกรธความพยาบาทให้เบาบางออกไปเพราะว่าผู้ที่มั่นอยู่ในศีลแล้วไม่พอใจให้คนในสัตว์ก็จะโกรธขึ้นมาอย่างรุนแรงนี้มันก็ถึงจะต้องไปหัดประหัดประหารผู้อื่นและสัตว์อื่นไปแต่ทำให้ศีลข้อที่หนึ่งขาดลง เมื่อเป็นผู้มั่นอยู่ในศีลแล้วไม่ยอมร่วงแล้วมันโกรธขึ้นมาให้คนให้สัตว์มันก็ยับยั้งได้เอาไม่ได้นะศีลจะขาดขืนโกรธรุนแรงไปนี่รู้ตัวอย่างนี้แล้วมันก็คมจิตใจมันก็คมความโกรธนั้นไว้ได้อืมความโกรธนัน้นก็ไม่ลุกลามใหญ่โตขึ้นไปเพราะมันมีสติเป็นเครื่องยับยัง้ง อีกอย่างหนึ่งเราก็เจริญเมตตายอยู่เสมอเสมอไอเราเกลียดต่อความทุกข์หรือเรากลัวต่อความตายชั้นใดบุคคลอื่นะไรตัดอื่นเขาก็เกลียดความทุกข์แล้วก็กลัวต่อความตายเหมือนกับเรานี่เองเมื่อเอายกเอาเขามาเที่ยวกับเราเาเราไปเที่ยวกับเขาแล้วบุคคลผู้นั้นจึงไม่ ล่เบียดเบียนใครแบบนี้นะ น, นั่นนะไอ้ที่มันเบียดเบียนกันได้อยู่นั่นมันก็เนื่องมาแต่มันไม่ได้นึกเทียบตัวเรากับเขาเทียบเขามาใส่ตัวเราลองดูมองไม่เห็นนึกแต่ว่าจะกินเนื้อของมันลูกเดียวออไม่นึกถึงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายว่ามันก็ห่วงเห็น มันก็ห่วงเห็นรูปอันนี้ของมันเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายก็ดีมนุษย์ก็ห่วงเห็นรูปกายอันนี้เช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันเลยเราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายร่างกายชั้นใดสัตว์อื่นทั้งหลายมันก็ไม่ต้องการให้ใครไปทำลายรูปร่างของมันเช่นเดียวกัน ก็เมื่อาพารนาทเทียบเคียงเข้าไปอย่างนี้แล้วพูดได้พี่นาอย่างนี้บ่อยๆเขา้ามันก็ไม่กล้าที่จะไปทำลายสัตว์เลยอ่ามันเป็นยังไแม่ไปเบียดเบียนเอาสมบัติเข้ า, าของเงินทองพวกมงก็เหมือนกันนะถ้าเขามาเอาของเราเราก็เสียไดย้ล้าก็เป็นทุกข์ถ้าเราไปเอาของเขาเขาก็เสียใจเป็นทุกข์เมื่อคิดอย่างนี้แล้วมันก็งดเว้นเลยไม่เอาของใคร หาไม่ได้ก็ไม่ไม่ต้องบริโภคใช้สอยกันแล้วหาได้เท่าไรจึงบริโภคใช้สอยเท่านั้นเมียใครผัวใครก็ย่อมรักใครจงรักภักดีต่อกันวันนี้มีคนไปน่าร่าบร่ล่วงเข้าไปให้ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันเข้าไปอย่างนี้มันก็ มันก็ทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งทั้งสองฝ่ายนั่นเี่ส่วนเป็นถ้าสมมติว่าเขามาหลอกลวงเอาเมียเราไปในทางปเวนีอย่างนี้นะเรารู้เข้าเราก็เสียใจเป็นทุกข์เดือดร้อนยังว่ามันมีเรื่องเทียบกันได้อยู่นะแต่มนุษย์เรามันไม่คิดมันเมาหลายกิเลสมันครอบงาจิตใจมากเป็นอย่างนั้น การพูดโกหกหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นเอาเป็นของตนมันก็นเหมือนกันฮะถ้าเขามาโกหกเราหลอกลวงเอาสมบัติของเราไปเรารู้เข้าก็เสียใจเราไปหลอกลวงเอาของเขาได้มาเขารู้เขา้าเขาก็เสียใจเป็นทุกข์เหมือนกันอืมการดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้นะ เมื่อตนดื่มเหล้าเมาสุราติดแล้วเอา้าคนใดยังไม่ติดก็พยายามหาอุบายชักจูงเข้าไปให้มันติดเหล้าเมาสุราเหมือนกับตนลงทุกข์ด้วยกันอันนี้มันก็เคยมีมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าแล้วเศรษฐีตะกูหนึ่งมีทรัพย์ตั้งแปดสิบโกด ไม่ยอมให้ลูกเรียนหนังสือ น, นังสืออะไรเลยเพราะเงินมีมากมายเนี่ยเราตายไปแล้วลูกใช้สอยไปชั่วชีวิตก็ไม่หมดก็เลยให้ลูกอยู่สบายสบา ย, บายไม่ต้องให้เราเรียนวิชาความรู้อะไรเมื่อลูกทั้งสองตระกูลนั่นนะ่ะฝ่ายหนึ่งเป็นลูกสาวฝ่ายหนึ่งเป็นลูกชาย เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วก็แต่งงานให้กันพอแต่งงานกันมาแล้วอยู่มากบพ่อแม่สองตระกูลนั่นก็นกนร่วงลับไปอันนี้สองพ่อเมีย ก, ก็เลยรวมสมบัติเข้าด้วยกันสมบัติบ้านละสี่สิบโกดมารวมก็เป็นแปดสิบโกดนักเรงสุรามันรู้ว่าเศรษฐีตอนนี้ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลย เช่นนี้เขาก็ใช้คนอุบายไปนั่งุงเล่ากันอยู่ข้างทางที่เศรษฐีเดินมาเศรษฐีเห็นเข้าก็ถามนี่ดื่มน้ำอะไรกันดื่มน้ำจันน้าจันนี่มันเป็นยังไงมีรสชาติยังไงโอ้นายเชิญชิมดกูก็จะรู้เองแหละผูอื่นอธิบายให้ฟังไม่รู้รสชาติเขอเหมือนดอก ที่แรกเขาก็ลินให้หน่อยเดียวจิบเข้าไปดูแล้วฟังฟังดูนะเอ๊ะมันรสชาติดีเหมือนกันนันี่เนาะเอะ่อย่างนี้ไหนลองอีกทีวะเขาก็ลินให้บ้งางเขาดื่มเข้าไปคลาดที่ไม่เคยดื่มแล้วมานจะก่อนเลยนไงพอดื่มกาไปนิดหน่อยเท่านันก็เมาแล้วพอเมาแล้วก็รู้สึกสนุกสนานดีกับ โูงแขนนักเกรงทุราแล้วนขึ้นไปบนบ้านสั่งให้คนใชายไปหาซื้อแกล้มมาเอาซื้อเหล้ามามาดื่มกันอยู่ทำอย่างนั้นอยู่ทุกวนันทุกวนนันไอ้นักเกรงสุราเขารู้เข้าก็มาร่วมวงไพยบูญกั น, นไอ้เศรษฐีก็สั่งให้เสมียนคลังจ่ายเงินซื้อ เราซื้อแก้มประเดิมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพราะพวกมันมากขึ้นเงินมันก็หมดไปหมดไปเงินแปดสิบกอดในที่สุดหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงแล้วขายนาขายบ้านเข้าไปขายเครื่องประดับปราดาอะไรของมารดาบิดาผู้ยาจต่ายายสะสมให้หมด ยังเหลือแต่ประสาทจิตชั้นเอาไปเอามาขายประสาทจนหมดขายประสาทแล้วไปดื่มเหล้าก็หมดผอหมดเป็นแล้ววันนี้ค่ะได้กลาแล้วเที่ยวขอทานเขากินแล้ววันนี้อืวันหนึ่งจึงว่าเดินโซเซเข้าไปในวัดไปขอเศษเข้าวบาทในวัดพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นจึงได้ทรงตรัสว่า ดูกวาม่สูตทั้งหลายสองโฟเมียเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีชั้นหนึ่งแล้วนะทีแรกนะว่างั้นนะ응เขาเป็นเศรษฐีว่างั้นนะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ทำชั่วไม่ดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนั้นแล้วเขาจะได้เป็นเศรษฐีชั้นหนึ่งเลยในประถมอวัย ถ้าเขาได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ปถมเอาไว้ตั้งแต่ยังหนุ่มนั่นเขาจะได้บรรลุอนาคามีผลแต่ทีนี้เมื่อเขาตื่นตัวกันในตอนวัยกลางคนแล้วเขาทำมาค้าขายไปเขาก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นสอง ถ้าเขาได้เข้าวัดได้ฟังทรรมคำสอนพระพุทธเจ้ า, าปฏิบัติตามเขาก็จะได้บรรลุส ก, กิธาคามีอา้าถ้าอย่างนั้นถึงวัยแก่ชรามาแล้วเขารู้ตัวเขาละความชั่วเหล่านั้นเสียแล้วตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเข้ า, า, ขาไปฟังทมเข้าไป หาเงินหนาทองเข้าไปเขาก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นสามพูดถึงคุณธรรมเขาก็จะได้บรรลุโสดาปติผลเป็นอริยบุคคลในพริศาสนานี้บัดนี้ได้ชื่อว่าเขานั้นสวดทั้งสองอย่างสมบัติอันเป็นโลกีก็สวดไปไม่ได้ไม่มี สมบัติอันเป็นโลกุตระธรรมก็ไม่ได้ชื่อว่าเขาขาดประโยชน์ทั้งสองทางเลยอันนี้ยกตัวอย่างแต่ครั้งอุเธเจ้าทรงแสดงไว้ให้สู่กันฟังว่าไอความเป็นผู้ไม่ศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้นี่นะมันให้โทษถึงขนาดมหาเศรษฐีลงเป็นคนขอทานได้ หมายเขาว่าอย่างนั้นความเป็นผู้ไม่มีความรู้ถูกเขาหลอกลวงให้ทำไม่ดีลงไปติดของเสพติดให้โทษ ต, ต่างๆดังกล่าวมานั้นมันก็ทำลายมรดกมาดาบิดาทำให้ให้ย่อยยับลงไปหมดนราไม่สร้างตนเองก็ตกทุกข์ได้ยากลำบาก หาที่พึ่งไม่ได้เลยอย่างนี้มันน่าทุเรศไม่ใช่หรือนั่นแหละดังนั้นทุกคนนะอย่าพากันเบื่อหน่ายในการเรียนการฟังบวชมาแล้วก็เหมือนกันเป็นพิกสุสามเณรถ้าเบื่อหน่ายต่อการศึกษาเรวเรียนเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีความรู้ในทางธรรมในทางวินยัย แล้วจะประพฤติตนให้ดีงามตามสมณเพศก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ถ้าผู้ที่มีศรัทธาอยู่มั่นคงไปหลายเดือนหลายปีไปอย่างนี้จนได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อไม่มีความรู้แล้วอย่างนี้มันก็ลุกจีทุกถาก็ไม่เขารบยำเกรง เพราะว่าไม่มีความรู้ที่จะสอนเขาให้ดีให้ดีได้เขาจะไปเคารพนับถื อ, อยังไงเล่าถ้าเป็นผู้รักผู้ใหญ่มาแล้วก็ไม่ไม่ไม่สามารถจะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นควบคู่กับประโยชน์ทนไปได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องวันนะถ้าผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าตนมีสถามั่นอยู่ในพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วก็ ตั้งใจศึกษาแล้วเรียนพระธรรมวินัยไปเพราะยังหนุ่มยังแน่นกำลังวังชาก็ยังดีเช่นนี้นะจะไปโยทธอจะไปเบื่อหน่ายทำไมอ่ะถ้าเบื่อหน่ายพิชชาความรู้ต่างๆแล้วมันก็เท่ากับ ว, ว่าเบื่อหน่ายความสุขนั่นเองไม่ต้องการความสุขแล้ว เพราะว่าคนเรานั้นจะมีความสุขได้มันไม่ว่าเครหััดนักบวชมันต้องแสวงหาเช่นอย่างนักบวชอย่างนี้ไม่มีความรู้แม้แต่จะสวดมนในบ้านอย่างนี้นะบดสวดมนก็ไม่ท่องไม่จำวันนี้เราพัอยากให้เพื่อนนี่มนไปสวดในบ้าน แล้วตนสวดก็ไม่ได้เป็นนั่งอ้าปากฟังใจเพื่อนอยู่เฉยมันก็ขายหน้าไม่ใช่เลยอืมอย่างนี้เราจะไปทําหน้าด้านอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นนักบวชนะนี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังมันก็ไม่มีใครนับถืออย่างจริงจังเนะี่ยถ้านักบวชเป็นเช่นนั้นนะ่ะบวชมานมนานแนละ้วไปจะสวดมนก็ยังไม่ได้สวดมัธย์กาก็ไม่ได้อย่างนี้นะ มันก็ใช้ไม่ได้สินนแล้วความวอาพลิดก็ไม่เรียบร้อยเพราะไม่มีความรู้ขอแต่ให้ผู้อื่นตักเตือนอยู่อย่างนั้นเช่นนี้ไม่ถูกต้องเลยรเรียกว่าคนไม่ได้คิดพึ่งตัวเองคิดแต่พึ่งผู้อื่นเป็นอยู่เป็นกระเราหัดก็เหมือนกันถ้าไม่มีความรู้ทางใดทางหนึ่ง การทามาหาเรื่องชีพมันก็ขัดข้องเลยมันก็ดำเนินไปมันไม่ได้สะดวกหาเงินก็ไม่ได้เพราะไม่มีความรู้อย่างนี้แหละหาสินนะทำมหาบุญกุศลก็ไม่ได้เพราะไม่มีความรู้เพราะไม่รู้ว่าบุญกุศลมันอานวยผลให้เป็นถุกได้อย่างไรนี่นะเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้ว มันจะมีแก่ใจในการทำบุญยังไงล่ะมันจะชอบบุญได้ยังไงอ่ะผู้ชอบบุญน่มันต้องพิจารณาเห็นด้วยตนเองว่าการทำบุญนี่มันต้องมีผลเป็นสุขแน่นอนอเห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนแล้วแล้วก็เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าด้วยสุขโขปุญญาต้ะอุจจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้นี่ พระพุทธเจ้าเรียงงานพิจารณาเห็นแล้วบุคคลที่จะมีความสุขมากน้อยเพียงใดมันขึ้นอยู่กับบุญกุศลความดีที่บุคคลทําเท่านั้นเองเนี่ยอพระองค์รู้แจ้งโดยพระปัญญาแล้วบุญกุศลที่บุคคลทําแต่ชาติก่อนนู้นมันก็มาอํานวยผลในชาตินี้อย่างนี้นะบุญกุศลที่บุคคลกระทาความดีในชาตินี้ มันก็ติดสอยห้อยตามไปอำนวยความสุขให้ในชาติหน้าต่อไปพระองค์ยังเปรียบไว้ว่าบุญกุศลนี่บุคคลสั่งสมอบรมให้เกิดมีในตนแล้วเป็นของเบาที่สุดไม่ทำบุคคลใดให้หนักหน่วงเลยอุปมาเหมือนอย่างเงาติดตามตัวธรรมดาเงานี้ไม่หนักไม่หน่วงเลยคนไปที่ไหนเงาก็ไปที่นั่นติดตามไปอยู่นั่น อันบุญกุศลผู้บุคคลกระทำบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นใ น, นใจิตใจของตนแล้วก็ย้อมติดตามบุคคลผู้นั้นไปทุกแห่งทุกหนแม้ว่าละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลก็ไม่ทอดทิ้งถ้าก็นำดวงจิตไปเกิดที่สุขสบายต่อไปเหมือนกับเงาติดตามตัวพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ยอย่างนี้ทรงเปรียบเทียบบาปอากุศลไว้เหมือนกับ แอกทับคอวัวที่กําลังลากเกวียนไปอยู่คนหนึ่งนั่นเองมันก็มีแต่ความหนักหน่วงมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทนทุกข์ทรมานนี่บรรดาตัวควายที่เอาแอกมนุษย์เอาแอกทับคอแล้วก็เขาก็ไล่ให้ดันลอ้อดันเกวียนที่บรรทุกสัมภาระอันหนักายตามทาง แสนทุกข์แสนยากแสนลําบากชั้นใดบาปอากุศลศนที่บุคคลกระทาในโลกนี้แล้วมันก็ย่อมติดสอยห้อยตามไปอํานวยผลให้เป็นทุกข์ในชาติต่อต่อไปบาปกรรมที่บุคคลทําในชาติก่อนมันก็ติดตามมาอานวยผลให้เป็นทุกข์ในชาตินี้ถ้าบาปอากุศล อย่างแรงกล้าที่ท่านเรียกว่าอุปคาตกรรมมันตามมาทันเมื่อไหร่มันให้ผลเมื่อนั้นคนผู้นั้นตายโหงไม่ได้ตายดีไม่ได้เจ็บป่วยไขย้หลายวันหลายเดือนแล้วจึงตายเกิดตกต้นไม่ตายควายชนตายรถชนตายลถความตายตึกถล่มตาย เครื่องบินตกตายมูนี่มันรวนตั้งแต่อุปคาจกรรมกรรมที่เขาทาไปแต่เชา ก, ก่อนนยะมันตามมาตัดรอนชีวิตเข้าไปให้ตายลงโดยที่ไม่ไม่ถึงเวลาที่ควรจะตายก็ตายเสียอย่างนี้นะอะนี่แหละไอ้ที่คนเกิดวันเหตุตายโหงตายห่าอยู่มนี่โอ้ยมันรวนตั้งเจ็บธาต ถ้าเอามาเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกับรวนจะกรรมชั่วที่คนเหล่านั้นแล้วทำมาแต่ก่อนนู้นไปทำให้คนอื่นร่มร้ ม, มตายตายลงโดยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึง่งศาสนานี่ความรู้เบื้องต้นจริงๆของพุทธศาสนิิช น, น่ยมมันต้องรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่แหละให้มากมากอย่าไปละเลย เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของขงตนเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทานั้นพระาศาสดาแสดงไว้แล้วนี่เหตุนั้นเจรละเลยไปได้ยังไงอะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยกรรมสามอย่างนี่เป็นบอเกิดแห่งบุญและบาปและจะมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าใจชอบบุญกุศล มันก็ต้องใช้กายทําใช้วาจาพูดไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้แหละถ้าใจมันชอบบาปอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทําบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปไปอบาปก็ยอมบางเคยขึ้นในจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของชีวิตนี่นะศึกษาให้ดีๆเพราะว่า บุญก็ดีบาปก็ดีมันไม่ใช่ว่ามันจะมีมามีอำนาจครอบงมจิตใจโดยลำพังหามีได้เลยจิตตัวงเดียวนี่เป็นผู้สร้างขึ้นต่างหากนะถ้าเมื่อบุคคลรู้อย่างนี้แล้วเ็าพยายามฝึ ก, กจิตตรงนี้ให้มันชอบกับบุญกับกุศลเข้าไปชอบแต่ความดีหอมชั่วไม่ชอบแล้วอย่างนี้ ตั้งเจตนาวิรัตและเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายดังกล่าวมานั้นได้ต่อจากนั้นก็ตั้งหน้าทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไปทางจิตใจก็มีสติสมบัติเสญะสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าขรึงขัดไม่ว่านักบวดพูดถึงการรักษาจิตสำรวมจิตนี่ มันย่อมเป็นสิ่งจำเป็นทุกเพศทุกไวยทุกสมัยทุกการเพราะว่าจิตนี่มันมีอิท ธ, ธิพลสามารถคิดไปได้อย่างว่องไวทีเดียวขณะเดียวหนึ่งมันคิดไปได้ร้อยแปดมันไปไกลแสนไกลเลยอย่างนี้นะลองสังเกตดูต้องรู้ได้แหละนี่บุคคล จะยับยั้งความคิดอันโลเลเหลวไหลต่างๆลงได้ก็เพราะฝึกสติสมบัญญาณนี่ควบคุมจิตนี่อยู่ตลอดเวลาเปลงั้นเรียกว่าสติมันลึกถึงจิตนี่เสมอเพ่งกรวดดูจิตใจอยู่เสมอว่าปกติหรือว่าลำเอียงไปด้วยอำนาจกิเลสความชั่วอย่างไรบ้าง นี่ต้องตรวจการดูความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจนี่เสมอเสมอไปเมื่อบุคคลไม่ลดละการสัมรวมจิตใจการเพ่งพินาจิตใจอย่างนี้ถ้าว่าจิตใจมันเผลอเอียงไปทางบาปอกุศลมันก็รู้ทันทีเลยหรือว่าจิตใจมันเอียงไปทางกิเลสบางสิ่งบางอย่างมันก็รู้ทันที เมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็รีบสัมรวมจิตเตือนจิตให้ละอารมณ์เหล่านั้นเสียไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงมันแต่งต่อไปเพราะมันเป็นบาปอากุศลมันจะนำตนให้ไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะพรเมื่อผู้ใดเป็นผู้สัมรวมระวังรักษาจิตใจไปเสมอเสมออย่างนี้นะ บุคคลผู้นั้นก็ไม่ได้มีบาปอยู่ในใจไม่ได้สะสมบาปไว้ในใจสะสมแต่บุญกุศลแต่ความดีเท่านั้นสะสมแต่คุณธรรมไวใ้ในใจเช่นฮิริโอตปะธรรมอย่างนี้นะความละอายในการจะทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนหมู่มากก็ตามไม่ทำนี่แหละจึงได้เรียกว่าฮิริ ละอายในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นท่านให้นามว่ามนุษย์โศไปว่าผู้มีใจอันสูงเมื่อรู้ว่าตนเป็นมนุษย์ที่ดีมีใจอันสูงแล้วก็จะไปทําความชั่วมันนึกละอายใจขึ้นมาก็ไม่กล้าทํานี่จึงเรียกว่ารักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ อตัปปะก็รู้ตัวว่าตัวนั้นเป็นมนุษย์มีบุญวาสนาบารมีได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนจึงได้เกิดมาเป็นคนถ้าบุญไม่เพียงพอก็เกิดเป็นคนไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องรักษาความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนไว้ให้ได้แล้วจะพยายามทําทำมนุษย์ให้เป็นเทวดาเนี่ต้องตั้งใจลงไปอย่างนี้ การที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากมนุษย์ให้เป็นเทวดาได้ก็เพราะตั้งอยู่ในคุณธรรมสองอย่างคือฮิริความละอ า, ายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วโอตัปปะสดุง้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วที่ตัวธรรมจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้ามเมื่อมีฮิริโอตัปปะธรรมอยู่ในใจอย่างนี้มันก็ไม่กล้าทาความชั่ว ไม่กล้าล่วงศิลล่วงธรรมทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนเขอมีความบกพฤติสม่าเสมอไปอยู่อย่างนี้น ะ, ะนี่เรียกว่าเป็นคุณธรรมของเทวดาผู้ใดมีคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่เสื่อมมีตั้งมั่นอยู่ในจิตใจเสมอไปอย่างนี้น ะ, ะผู้นั้นก็ไม่ได้ทำบาป ไม่ได้สร้างบาปให้เกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจสร้างแต่บุญแปลกุศลไปเมื่อหมดอายุสังขารลงบุญกุศลนี่ก็จึงได้นำไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เป็นเท ว, เทวดา อ, อย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่าผู้ใดมารู้รู้ตัวว่าความเป็นมนุษย์นี่เป็นเป็นสิ่งประเสริฐ สามารถบำเพ็ญบุญกุศลอำนวยผลให้เป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ชนตลอดถึงพระนิพพานบุคคลจะบรรลุถึงซึ่ ง, งพระนิพพานได้ก็เพราะมาบำเพ็ญคุณธรรมอันเป็นมนุษย์นี่แหละมาได้เกิดเป็นมนุษย์ก่อนอย่างนี้นะเมื่อมาได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วบางทีก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าบางชาตินะบาง หรือไม่ได้พบองค์พุทธเจ้าก็ได้พบพระพุทธศาสนาของพพุทธเจ้าเหมือนอย่างเราเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้หลยเราก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้นี่กับเพราะอาศัยบุญกุศลหนหลังนั่นเลยมันติดสอยห้อยตามมาพิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นอย่างนี้